ขอนำมากล่าวเพียงวางเรื่องดังนี้ 7.1 ชาติหนึ่งพระองค์เป็นนักเรียนชื่อปูนาลิกล่าวใส่ความพระปัเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสุรภีผู้ไม่ประทุสร้ายพระองค์เลยแม้แต่น้อยผลของกรรมนั้นทําให้พระองค์ ต, งต้องตกนรกอยู่นานในพระชาติสุดท้ายถูกนางสุนทรีใส่ความว่าพระองค์ได้เสียกับนางเป็นเรื่องอื้อเฉาวมากเรื่องหนึ่งในพุทธการ